พูดสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะ 11 ของ 2013 2536 นี้กันอย่างสมบูรณ์แล้วล่ะ ใครได้ผ่านไปแถวบริเวณวัดบวรเนี่ย รายการนี้เราเน้นในเรื่องที่จะให้ท่านทั้งหลายได้ประโยชน์จากสิ่งที่ อันอันนี้เป็นเป็นเรื่องโดยปกติที่เอ่อเราสาวก ตอนนึงที่ท่านได้กล่าวในวันอาสาเช่นนี้เวียนมาถึงควร ที่พึ่งตามในแห่งพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้ให้อ้อนมา อย่างแท้จริงแท้ไม่ให้ตกไปสู่ความชั่วพระรัตนตรัยก็จะปกป้องคุ้มครองไม่ อันนี้แล้วก็อัจฉกุลท่านเนี่ยคือและเนื่องความรู้แตกฉานนี้ท่านก็จะสามารถอธิบาย ที่จะให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังจะให้ฟังสิ่งที่ยังไม่มาพิจารณาดูคุณูปการของท่านเกี่ยวกับเรื่องการเทศน์สอนนี่โอ้โหมีการเทศน์บานเบอะ ชี้แจงแตกอันนี้ถูกต้องเลยนี้ออกไปแล้วเราก็ทําค่ะเมื่อนั้นอย่างกรณีที่บอกใช่เอ่ออันนี้ก็ นะคนที่เรียนบาลีเนี่ยจะต้องเรียนสิ่งที่เป็นคาถาที่พระเจ้าอัตราตะไว้นะมีในคาถา<ใช> พระธรรมพระสงฆ์แล้วเห็นอริยสัจ 4 ด้วยปัญญาชัดเจนนะตรงนี้คือประโยชน์เดียวกันนะคือคุณถึงพระพุทธพระ ค่ะและจากคาถานี้ก็ค่ะอันนี้ๆเข้าใจว่าตอนที่เราเป็นเด็กๆ แต่รู้สึกเองอ่ะรู้สึกอยากจะอืมเอาล่ะที่ผ่านมาผ่านไปต่อไปนี้เวลาเราไหว้พระเราอ่ะอืมเอ่อด้วย การกราบด้วยการบูชาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเนี่ยเอ่อใจที่เราควรจะระลึกถึง 2 ก็คือว่าถ้าเรา ก็ตัวเรานั่นเองปฏิบัตินั่นก็แสดงว่าคุณถึงถึงประสงค์พอหรือตัวธาตุดินของบุรุชาไม่ ค่ะเค้าบอกว่าท่านกําลังจะบอกพวกเราว่าเราเองก็เป็นพุทธะได้โอ้แน่นอนแล้วอนุพุทธะเนี่ยพระ อรหันต์ที่ตามๆเป็นพุทธะที่ตรัสรู้ตามสัมมาสัมพุทธะนั่นเองค่ะนั่นก็คือพุทธะที่อยู่ค่ะคือ ถ้าเราเข้าใจที่ถูกต้องแล้วบางทีบาง อย่างแท้จริงถูกต้องตรงนี้มันจะเป็นขานมันมีมีอันหนึ่งที่ได้กับอธิบายคํา นะทำไมทำไมความรู้คุณถึงจะเกิดขึ้นได้นะว่าต้องจะกู้ขอหน่อยใช่มั้ยคะ ค่ะคือถ้าท่านมีประสบการณ์สมมุติพอเกิดเหตุการณ์นี้ไม่รู้จะพึ่งใครแล้ว นะถ้าเป็นไปในไม่ใช่ตรงนี้เขาไม่ได้ค่ะเค้าก็ว่าก็อยากไปอยากได้แต่ถ้าพูดจะต้องออกตั้งแต่ตอนก่อนมันแดงแล้วด้วย <c oughs> นะมันมีรายละเอียดเยอะอยู่ซึ่งคนที่เขาประสบความสําเร็จ 8 นะสิ่งได้มากระทบอย่างน้อยบางอย่างเราแก้ไขได้ๆจิตใจของเรานั้นจะสบายจะไม่ได้รับ <ช ะ, S 1> ละเอียดอ่อนแล้วใช้ปัญญาเข้าไปจับใช้สติเข้าไป นะสบายใจตรงนั้นได้เลยรับมือกับทุกปัญหาก็ๆที่ถูกต้องมาแก้ไขปัญหานั้น พระพุทธเจ้าถวายบูชาพระธรรมของ ค่ะตัวของอันติโกรกาเลเนียกับ FM 106 ค่ะเราพบ